จเจริญสุขญาติโยมสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้รายการธรรมสู่สันติก็กลับพบพบกับสาธุชนอีกวาระหนึ่งในวันเวลาและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ อาตมภาพในนามของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีจะได้นำธรรมะบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคโลโอมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังวันนี้ก็เช่นเคยจะได้นำเสนอในเรื่องเวรภัยระงับได้ด้วยการขอขมาซึ่งหลวงพ่อท่านได้บรรยาย อบรมพระภิกษุสมณะอุบาสกอุบาสิกาที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้รับฟังในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่ผ่านมาจึงอยากจะนำธรรมนั้นมาสู่ทั้งสาธุชนเพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ในการที่จะดาเนินชีวิตในการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมว่าหนักนิดเบาหน่อยถ้าเรารู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันเวรภัยย่อมระ ง, งับ สิ่งมีโทษที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของเราด้วยความโมโหด้วยความหุงหันพันแล่นด้วยความไม่ด้วยความประมาทก็จะระงับได้ด้วยการยับยั้งชั่งใจด้วยการเห็นปกเห็นใจซึ่งกันและกันด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกันจึงขอเชิญท่านสาธุชนมาตั้งใจสดับรับฟังข้อคิดและหลักธรรม จากธรรมะบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปโดยพร้อมกันณนบัดนี้และหรือพระที่มาใหม่ยังไม่ทราบภาษาบาลี ก็พึงเข้าใจความหมายที่ท่านทั้งหลายได้กล่าวในการทำสามีจิกรรมนั่นโดยความหมายว่าถ้าว่ากระผมได้เคยล่วงเกิน หรือกระทําอะไรที่เป็นโทษแก่อาจารย์หรือแก่พระทีระก็ขออาจารย์หรือพระทีระโปรดงดโทษให้ด้วยหลวงพ่อเองก็จะกล่าวว่า หลวงพ่อก็งดโทษให้และทวาหลวงพ่อมีอะไรเคยล่วงเกินท่านทั้งหลายก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้งดโทษด้วยเหมือนกันนี่แล้วก็ท่านทั้งหลายก็ตอบเป็นภาษาบาลีว่าขอรับกระผมอย่างนี้ การแสดงสามีจิกรรมเนี่ยคือการแสดงความเคารพนับถือซึ่งกันและกันด้วยกิริยาอาการอันสมควรที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาจนเป็นเนติแบบแผนหรือจะเรียกว่าเป็นธรรมเนียมของพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกามาแต่อดีต นั่นแหละตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นแหละเป็นการดีเพราะวา่าเราอาจจะเคยล่วงเกินกันมาจะเจตนาก็ตามหรือไม่ได้เจตนาก็ตามทุกฝ่ายเมื่อได้มีการขอขมาลาโทษซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอุปชาครูอาจารย์หรือพระธีระอย่างนี้ก็เป็นการดีเพราะว่าการล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ว่าฝ่ายไหนจะล่วงเกินฝ่ายไหนไม่ดีทั้งสิ้นเป็นบาปเป็นอกุศลแล้วก็ เป็นเวรเป็นกรรมติดตัวไปด้วยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นการได้พบได้เห็นกันได้ขอขอมาลาโทษต่อกันนั้นมันลึกซึ้งก็ไปถึงแก่นใจว่าเราขอหดโทษให้ซึ่งกันและกันขอโทษแล้วก็ของดโทษให้ซึ่งกันและกัน และก็ทั้งนี้จะเป็นข้อที่ให้เราสำรวมระวังในกามในความประพฤติปฏิบัติต่อกันด้วยเมตตาธรรมด้วยกรุณาธรรมอย่างนี้และก็ถ้าจะว่าไปก็ด้วยมุทิตาอุเบกขาคือพรหมวิหารธรรมนั่นเป็นการดีและเป็นการงด ลดไม่เ่ร็จละงดเลยทีเดียวงดเวรภยัยนี่แหละเป็นการงดเวรภยัยไม่มีเวรภัยต่อกันท่านว่าสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรและตรัสว่านี่เป็นของเก่าที่ว่าของเก่า ไม่ใช่เฉพาะแต่ว่ามีมาแต่บบราณหมายความว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่หมายถึงสมเด็จพระสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตขีณาสุปเจ้าทั้งหลายตั้งแต่อดีตนี่เขปฏิบัติมาอย่างนี้นี่แหละเป็นวิธีลดงดเวรัยเลยทีเดียวที่จะมีต่อกัน จึงเป็นการดีที่สุดและเป็นการสํารวมระวังให้สํารวมระวังว่าเราอย่าไปทำอะไรล่วงเกินคนอื่นโดยเจตนาที่จะทำลายล้างผลานคนอื่นโดยตรงก็ตามโดยอ้อมก็ตามแม้แต่คิดร้ายต่อกันก็ตามอย่างนี้ไม่ให้มีแม้แต่มนุทุจริตเียเป็นการดีมากทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ เท่ากับว่าเราแผ่วทางเปิดทางในการดำเนินชีวิตของเราสืบต่อไปในภายหน้าไม่ว่าทางโลกและทางธรรมก็เป็นการกระทาที่แผ่วทางให้สะอาดหมดจดบริสุทธิ์จากเจตนาความคิดอ่านที่เคยอาจจะเคยมีมาแต่อดีตแล้วก็สำรวมระวังต่อไปมิให้มีต่อไปในอนาคต นี่ก็จะทำให้การดำเนินชีวิตของเราราบ ร, รื่นเจริญรุ่งเรืองได้คนทางโลกเขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่ามีข้อสังเกตที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับชาวต่างประเทศเออชาวต่างประเทศนี่มีวัฒนธรรมในการขอโทษกันเรียกว่าติดเป็นปากติดปากเลยทีเดียวเช่น ถ้ามีอะไรที่กระทบกระเทือนกันหรืออะไรเขาจะกล่าวทันที Excuse me please หรือว่า I'm sorry ซึ่งมันมีความหมายว่าโปรดลดโทษให้ผมด้วยนะหรือขอโทษด้วยหรือว่าผมเสียใจนะก็คือขอโทษนั่นเอง และอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องก็จะตอบเอารไร่ไม่เป็นไรอะแบบเราที่เราพูดว่าไม่เป็นไรอ่ะทานองนี้ก็แปลว่าหมดกันนี่แต่เขามีเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมแต่ยังไม่ฝังรากลึกลงไปถึงขั้นว่าตั้งใจตั้งเจตนาที่จะทำสามีจีกรรมต่อกัน คือขอโทษกันอย่างนี้แต่ว่าก็นับว่าจิตใจเขาสูงทีเดียวในเรื่องนี้สำหรับชาวต่างประเทศที่เขาจเจริญแล้วเนะี่ยเอาที่ชาวจเจริญแล้วนี่เขาถือแต่ว่าเขาถือเป็นมารยาทเขาถือเป็นวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเขาจะพูดติดปากเดินกระทบกันหน่อยหนึ่งแอมสอรเขาจะพูดเลย หรือว่าบางทีจะทำอะไรเนะี่ย Excuse me please ขอโทษก่อนเลยก็มีหรือขอโทษที่หลังก็ได้ please excuse me อย่างนี้เป็นต้นนี่ชาวต่างประเทศเขามีของดีอยู่นี่แหละของดีเขาเราก็เอามาใช้แต่ว่าของเรานี่จะพูดขอโทษกันเนี่ยไม่ค่อยพูดอะไม่ค่อยพูด แม้แต่จะขอบคุณกันก็ไม่ค่อยจะพูดแต่ชาวต่างประเทศก็ขอบคุณกันนะใครทําอะไรให้ thank you thank you เขาจะพูดอย่างนี้ติดปากแต่ของเราทําอะไรให้เฉยยิ้มบางทียิ้ ม, มแต่อาการของเรานี่น้ําใจของเราดีนะแต่ว่าการแสดงออกทางวาจายังไม่สมบูรณ์ บางทีก็ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยคนไทยเราใจดีนะแต่เขาทำอะไรให้ลืมลืมขอบคุณลืมแสดงทางวาจาขอบคุณแต่ของเขานี่ใครทำอะไรให้นิดนึง thank you thank you ตลอดเวลาจนเป็นวัฒนธรรมเป็นมารยาทที่ดีแต่ของเราก็มักจะไม่ค่อยเป็นยิ่งสมัยแต่ก่อนหลวงพ่ออยู่ในชนบทเนี่ย แม้จะพูดขอบคุณจะพูดขอโทษนี่มันอายๆเนีย่ยมันพูดไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่ใจไม่ได้มีอะไรอายที่จะพูดหรือจะทำความดีคนไทยเราเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วในพระพุทธศาสนาของเรานั้นน้ำใจดีด้วยพรหมวิหารธรรมมีความกตัญญูกะตะเวทีตาธรรมอย่างสูงมากกว่าชาติใดๆในโลก และรู้จักบุญคุณครูบาอาจารย์พระอุปัชฌาย์อาจารย์บิดามารดาผู้มีพระคุณทั้งหลายคนไทยเรารู้จักในเรื่องบุญคุณนี้มากที่สุดแต่ว่าปากพูดไม่ค่อยเป็นอันนี้ก็เป็นของดีของเราในข้อที่ว่ามีคุณธรรมประจําใจแต่ว่า ถ้าฝึกพูดสักหน่อยจะดีเพราะฉะนั้นพระเรานี่ขอให้เป็นอย่างนี้นะฝึกหน่อยไปกระทบกันไปโดนกันขอโทษนะยกมือไหว้เลยผู้ผู้น้อยยกมือไหว้ผู้ใหญ่เลยเสมอกันยกมือไหว้เลยขอโทษนะครับขออภัยนะครับพูดให้ติดปากลองดูซิวัดเราลองทำอย่างนี้ให้ดีสิเราพลาดพลั้งต่อกันขอโทษนะ เอาเลยยกมือไหว้ให้ทันทีทันควันเราพลาดอะไรผู้น้อยพลาดกับผู้ใหญ่ต้องรีบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้น้อยที่พลาดกับผู้ใหญ่มากๆไหนในระดับครูอาจารย์ในระดับพระเถระในระดับพระสังฆาธิการควรจะมีทุกเทียนมีเทียนทุกอย่างนี้ถ้าว่าเราทำค่อนข้างจะหนักหน่อย น, นี้บอกไว้ก่อนนะอย่าให้มีเวรติดตัวทําซะทำเลยให้มันเป็นปกติใจเราจะอ่อนโยนมานะทิฐิเราจะหมดไปเองต้องฝึกอย่างนี้นะไปเผลอไผลาบางทีพระใหม่อาจจะมีจิตใจบางบางรูปที่ใหม่ๆเข้ามาใหม่ๆจะไม่ค่อยรู้ขนมธรรมเนียมอาจจะมีบางรูป หรือว่าเนนอาจจะมีบางรูปหรือแต่ประชาชนคงไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยใกล้ชิดกันเท่าไหร่หรือพระเก่าก็เถอบเนนเก่าก็เถอบบางทีมันเผลอได้กระทบคนอื่นด้วยการคิดคิดไม่ดีหรือพูดไม่ดีหรือแสดงอาการไม่ดีด้วยอํานาจของกิเลสเราจะรู้ตัวเราเองแต่ว่าคนที่รู้ตัวเองแล้วนั้นเรื่อยๆนั้นคนนั้นจะเป็นบัณฑิตได้ แต่คนที่ไม่รู้ตัวนี่ยังจัดอยู่เป็นคนุณพานพาลูปัญญาน้อยนี่เพราะฉะนั้นจงรู้สึกตัวมีอไอ ร, รีบขอเข้ามาซะถ้ามันฉวยเกิดตายไปโดยที่เราไม่ได้ขอเข้ามาลาโทษแหมมันติดไปเลยเชียวมันติดไปแล้วเป็นยังไงจองเวรมันมีเวรมีกรรมต่อกัน บางทีเห็นหน้ากันเกลียดหน้ากันซะแล้ว อ, อย่างนี้เป็นต้นยังไม่ทันอะไรเลยนี่เพราะฉะนั้นการขอขมาลาโทษนี่เป็นการดีที่สุดเพราะฉะนั้นพระเราที่นี่เราจะทํากันเป็นปกตินะโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระเก่าพระที่ได้ภรรษาแล้วเนี่ยจะเป็นที่รู้กันเลยพวกเราส่วนมากจะไม่มีใคร เ, เป็นอย่างนั้นแต่ก็อาจจะมีบ้างอยู่ในจิตใจก็ใครรู้ตัวเอง ว่าไปเผลอมีมานะทิฏฐิกับพระผู้ใหญ่กว่าหรือพระผู้เสมอกันหรือแม้แต่กับผู้น้อยผู้ใหญ่กับผู้น้อยเนี่ยผู้ใหญ่บางทีก็มีกับผู้น้อยผิดเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะผู้น้อยผิดกับผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่มีต่อผู้น้อยก็ผิดขอโทษเลยแต่ผู้ใหญ่ไปมีต่อผู้น้อยเนี่ยโดยธรรมดาเราก็อาจจะ พระต่อพระนี่ขอโทษยกมือไหว้กันได้นะไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นความผิดข้อนี้ให้สังเกตเมื่อพระสารีบุตรพระมหาเถระพระอัครสาวกเบื้องขวาพระธรรมเสนาบดีทีเดียวซึ่งท่านไม่ได้ผิดหรอกแต่พระอื่นผานพาโลว่าท่านผิดแกล้งท่านโครตนะพยศนะพูดอย่างง่ายๆถ้าเรียกคนสมัยใหม่เรียกว่าพยศ นั่นแหละไปกล่าวหาท่านว่าท่านเดินเอาใช้ผ้าชายีวรชายสบงเนี่ยสะบัดถูกตัวเองบวยวายไปกราบทูลฟ้องสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงทราบแล้วทรงทราบดีคนมีคุณธรรมระดับพระอระหันต์ไม่มีเจตนาทาใครหรอกไม่ต้องเป็นพระอระหันต์หรอ พระอริยเจ้าในชั้นต้นๆหรือพระผู้ทรงศีลทรงธรรมท่านก็ไม่เจตนาจะทําใครอยู่แล้วระดับพระอระหันต์ไม่ต้องพูดหรอกและยิ่งพระธรรมเสนาบดีแล้วยิ่งไม่ต้องพูดใหญ่ไม่ทําใครหรอกแต่พระรูปนั้นโวยวายด้วยความเป็นผ่านของตนแล้วสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสเรียกทั้งคู่มา แล้วก็เจตนาทรงมีเจตนาที่จะให้พระสารีบุตรเนี่ยบรรลือศีนานาคือแสดงความจริงว่าที่ถูกต้องมันคืออะไรท่านพระสารีบุตรก็ได้แสดงความจริงใจออกมาว่าไม่ได้เคยมีคิดมีจิตใจคิดมุ่งร้ายต่อใครแม้แต่เท่า ถ้าจะพูดภาษาธรรมดาแม้แต่เท่าปลายเข็มไม่มีท่านเองนั่นใจของท่านนั้นเหมือนแผ่นดินที่ใครจะทมน้ำลายขากเสเลดหรือเสมหารถก็ไม่ว่าอะไรนั่นใจของท่านเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจะไปทำอะไรใครเมื่อได้แสดงความจริงแล้วพระบางอึบางรูปเนี่ย เมื่อได้ฟังแล้วถึงน้าตาร่วงสงสารพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ระดับนั้นอย่างถูกพระผู้น้อยรู้สึกจะเป็นพระนวากาเอาด้วยใช่พระนวากาด้วยที่ไม่รู้ประธรรมวินัยจ่วงจาบเอากล่าวหาหรือคิดไม่ดีกับท่านท่านมีแต่ให้กลับให้ท่านองค์นั้นไม่รู้ แต่พระพุทธเจ้าประสงค์ที่จะให้ท่านพระสารีบุตรแสดงให้เห็นว่าเจตนาท่านเป็นอย่างไรในความหมายจึงแสดงว่าให้บรรลือศีหานาถคือแสดงความจริงออกมาพระรูปอื่นๆได้ฟังนึกสงสารท่านน้ําตาไหลอย่างนี้เป็นต้นแล้วพระรูปนั้นก็ต้องขอเข้ามา ประกอบพิธีาทาสามีจิกรรมขอขมาขออดโทษจากท่านแล้วก็สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก, ก็ตรัสสอนเรียกโมฆะบุรุษ้าจจำไม่ผิดเนีบุรุษเปล่ามาปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละเรียกโมฆะบุรุษก็ทรงตำหนี่เยอะทีเดียวแล้วแม้กระนั้นท่านพระสารีบุตรยัง นั่งกระโยงก็คงคล้ายๆกับคุกเข่านี่แหละบางทีท่านอาจจะเห็นเวลาหลวงพ่ อ, อปรงรบัต์นั่งกระโยงนะนั่งอย่างนั้นนั่งยอมๆนั่งกระโยงเป็นการแสดงความเคารพนับถือเหมือนกันนั่งกระโยงขอโทษว่าทาหากว่าท่านได้มีอะไร ที่มันไปขัดทำให้ขัดเคืองใจก็ขอให้หมดโทษด้วยนี่ที่เล่ามาทั้งหมดเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระผู้น้อยหรือพระนวากะที่บวชใหม่จะไม่ค่อยจิตใจอาจจะยังไม่ดีพอก็เพิ่งเข้ามาก็ไม่รู้เรื่องว่าจิตใจที่สูงของพระผู้ใหญ่ พระเถรานุเถระครูอาจารย์มีจิตใจมีเจตนาดีอย่างไรบางทีก็ไปตักไปเตือนไปแนะไปนําไปสั่งไปสอนก็โกรธนั่นแหละเมื่อโกรธไม่รับรู้ระเบียบวินัยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเถียงในใจหรือว่าเถียงออกมาข้างนอกเพราะทิฏฐิของตัวเป็นต้นอย่างนี้ก็ จิตใจยังกระด้างอยู่นี่อันนี้เป็นการเล่าให้ฟังว่ า, าพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนทางแห่งความสุขโดยการชำระกิเลสเหตุแห่งทุกข์ในใจตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดมณัตลาทิฐิเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พระเนนของเราเนี่ยให้มืออ่อน มืออ่อนในระหว่างกันเองมืออ่อนในระหว่างผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่และกับระดับกันเองและส่วนระดับต่ำกว่านั้นเราอาจจะแสดงได้หลายวิธีและถ้าเราผิดจริงๆเราก็ขอโทษได้ขอโทษได้แม้พนมมือขอโทษก็ไม่ผิดแสดงเจตนาว่าเราผิดจริงๆ มันจะได้หมดในจากจิตใจของทุกฝ่ายจะได้ไม่ต้องมีเรื่องยืดเยื้อยาวนานท่านเห็นไหมความเจ็บใจของคนท่านดูสิคนภายนอกดูนักการเมืองดูข้าราชการดูพ่อค้าแม่ประชาชนประเภทที่กิเลสหนาะปัญญายาบ มานะทิฐิกล้าแข็งกิเลสนาะเต็มไปได้วยความโกรธพยาบาทหรือความโลภจัดเห็นแก่ตัวจัดมีมานะทิฐิสูงหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษพกเอาไว้แต่ความแค้นอะไรนิดหน่อยก็แค้นอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้ก็มีแต่การปองร้ายกระทำร้ายต่อกันทั้งทาง เจตนาความคิดอ่านหรือจิตใจที่ครุนคิดโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวนหรือไม่ก็กล่าววาจาออกมาแสดงการกล่าวหาซึ่งกันและกันอย่างมากมายและบางทีก็ถึงลงไม้ลงมือด้วยกำลังและด้วยอาวุธเหล่านี้เป็นตนน้นนั่นนั่นะคือเวรภัยอย่ามีได้ก็ดีอย่ามีได้น่ะดีที่สุด ละเวนภัยนี่มันติดไปอีกพวกที่มักโกรธจัดมักมีมานะทิฏฐิสูงบางทีตายไปไปเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทที่ดุร้ายประเภทดุร้ายกินเนื้อคนอื่นหรือว่าทำร้ายปองร้ายคนอื่นแล้วก็นั่นแหละต่ำลงต่ำลงจนเป็นอะไรอ่ะ เป็นเชื้อจุลินซีเป็นไวรัสนั่นน่ะนั่นน่ะมันสุดที่สุ ด, สดเลยมีแต่ทำลายแม้ตัวเล็กตัวน้อยบางทีมองไม่เห็นแนตะ่ทำลายคนอื่นถึงทำลายชีวิตแล้วนั่นน่ะไปนะั่อย่างงั้นกูไม่กลับแล้วถ้าถึงขั้นเป็นเชื้อโรคเป็นจุลินซีเป็นเชื้อโรคเป็นไวรัสไม่ต้องกล่าวแล้วสุดกูแล้ว นู่นแหละไม่รู้ถึงไหนไม่ต้องขึ้นมาเราพบสามนี่ไม่ต้องพูดเหล่านี้เป็นต้นมันไปได้ง่ายๆเลยนี่เพราะฉะนั้นอย่าประมาทชีวิตและก็เหตุนั้นหลวงพ่อจึงขอชื่นชมยินดีท่านทั้งหลายที่ตั้งใจขอเข้ามาลาโทษซึ่งกันและกันกับพระผู้ใหญ่ แต่ว่าในเทศกาลเข้าพรรษาก็นิยมขอขามาหรือทำสามีจจุกรรมระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่คือพระเถระมหาเถระหรือครูอาจารย์หรือพระอุปปช้าอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าว่าในวันสุดท้ายปลายพรรษานั่นก็จะมีเป็นวันมหาปวารณาปวารณา นั่นก็มีลักษณะเป็นการขอโทษกันเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าด้วยความผูกใจยินยอมว่าพวกเราไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยตักเตือนแนะนำกันได้ไปอย่างนั้นนะก็ว่ากันไปแต่ชีวิตประจำวันนี่เราต้องทำนถ้าเผลอผิดพลาดพอสมควรแล้วทำเป็นอันหมดใจหมดใจแต่ว่าบางท่านคิดมากเกิน กลัวมากบางทียังไม่ได้มีอะไรผู้ใหญ่ไม่ได้ถือโทษโกรธเครียดอะไรเป็นเรื่องธรรมดาเล็กๆน้อยๆก็บางท่านอาจจะคิดมากถ้ากรณีเช่นนั้นก็ดูดูว่าเรามีเจตนาหรือเปล่าถ้าไม่มีเจตนาแต่ถ้าว่ากลัวท่านจะเข้าใจผิดสำคัญผิดเราก็ขอโทษท่านได้ก็เป็นการดีแต่ถ้ามันไม่มีอะไรหนักหนาเล็ ก, ลกๆน้อยๆธรรมดาก็อภัยให้กันอยู่แล้วเป็นพระนี้แต่ถ้าว่าปรากฏ ในเจตนาความคิดอ่านหรือจิตใจของเราเรารู้ด้วยตัวเองนี่หลวงพ่อเข้าใจว่าและหวังว่าพวกเรารู้ความผิดของตนเองได้นั้นรีบทาซะถ้าใครมีอะไรกับใครยังไม่ได้ทำก็ทำซะนะถ้าฉกฉวยมันเป็นอะไรไปมันก็จะลำบากเพราะว่าคนเราตายเป็นเมื่อไหรเอาแน่นอนไม่ได้ ดูแต่ว่ า, าพระในสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะมีอายุสองหมื่นปีบำเพ็ญสมณธรรมมาตั้งเป็นพันๆเป็นหมื่นๆปีได้บุญบารมีไม่น้อยก่อนตายก็เจตนานั่งเรือเอามือจับตะไครน้ำหลุดติดมือเรือแตกหรือว่าไปมี เหตุการณ์ซึ่งหรือเจ็บใครได้ป่วยที่กําลังจะตายก็หาคนปรงอบัติไม่ได้เรื่องนิดเดียวดึงใบตะไคร่น้ําไอต้ตะไคร่น้ํานี่ไม่รู้อะไรนะฟังดูแลว้วไม่เข้าใจสักทีอาจจะหมายถึงสาหรายก็ได้อยู่ตามเรือแล้วนั่งเรือน่ะอยู่ตามแม่น้ําำนั่งเรือแม่น้ำขุงนคาเพียงตะไคร่น้ําติดมือตายก่อนตายมันเหมือนกับ ไอ้ใบไอตะไคร่น้ำมาพันคอก็คือเสมหักปวดคอนั่นเองตายตายไปแล้วบําเพ็ญสมณธรรมมาตั้งร่วมสอง0 0ื่ปีตายไปก็เป็นสัตว์เดิเรกชานเป็นพญานาคชื่อเอรกปัดนั่นแหละใบตะไคร่น้ําชื่อพญานาคใบตะไคร่น้ำนั่นแหละเป็นอย่างนั้น ตายเป็นสัตว์อิระยานทันทีนี่ขนาดบาเพ็ญสมณธรรมมาขนาดนั้นเราไม่ต้องพูดเรื่องที่เราทำจิดชิจ้อยจ้ยให้เข้าใจนะอา้าวก็เป็นการดีเอาละเข้าใจดีแล้วเราให้พรญาติโยมขณะนี้ญาติโยมกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมสุสันติที่จบไปนั้นก็เป็น ธรรมบา ร, รยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยยะมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามซึ่งท่านได้บรรยายอบรมพระภิกษุสามนเณรอุบาสกอุบาสิกาที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามเนื่องในวันเข้าพรรษาเนื่งจากพระภิกษุสามนเณรได้ทําสารมิกิกรรมแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจึงได้แนะนําในเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกัน เวรไภก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะระ ง, งับไปได้ญาติโยมสาธุชนฟังมาถึงตรงนี้ก็คงจะได้แนวคิดในการที่จะนําไปปรับใช้ในการําเมินชีวิตประจําวันในการรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยความไม่ประมาทสาหรับรายการธรรมะสู่สันติในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทิน